ก็จะเล่วแต่หลวงพอบอกว่ามันสางขึ้นมาแล้วมันก็ต้องได้ใส่มันนะทำบอใส่ก็มากมันก็เสารหมองซาลาบอใส่บานบอใส่บานบวชคัดบอถูบ่ชทำความสะอาดมันก็เสารหมองก็นั้นอไก็ควรจะใส่ตามการตามเวลาเนี่ยอะไรคือ สาสาลายใหญ่ลพผาดีจากวัดมีอยู่ด้สาลายใหญ่ ล, ลายลายาเาไปสมพานไม่กต่สา่งสาลาย ใ, ใหญ่เอาเราไปใหญ่เราเป็นผ้าน้อยกว่าด้วยผ้าอยสามสี่องค์หาองค์ถูจังไรทุกคนละสนกันพอนะวะาวแตตตแต่เมื่อใดก็มัดตะถูสาลาอยู่เดียวจะอง่าไวแล้วสันหนีไเล ันนี้ถ้าเราองสององมันแห้งมัดไ ป, ไปแห้งหน่อยก็เก่าอาอกไปเพราะนะั่นแหละส่างสาลาใหญ่ก็บบแมนเนวดีขึ้นกันนะั้ลายผ่าอนอกไปแต่ว่าถึงยัไเก็พระในวัดคงเฮาเดนหนี้ก็40ี่สิบกว่าองค์สามสิบกว่าสี่สิบเอ่คันว่าถูสาราเพียงทรณบดายของหลวงพอ่อด้วยพระกี่โยยพวดแล้วหลวงพ่อก็ว่าสนาับบ้า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 จะตุปัจหรือผลประโยชน์ในจุดนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแต่หลวงพ่อกระเน่น า, นาประธานเนี่ยตาหลวงพ่อเนี่ยทำตัวไม่ถูกมูดิทิเสียหายเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถูกสอบองค์แรกละ่ะติดคุกอีกต่างหากอเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยกันว่าใช้จ่ายยังไงมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนออกไปยังไงได้มาอย่างไรงอย่างนี้แหละแต่เราก็ไม่ได้แสวงหากําไรอะไร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 กินอาหารดีเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกลิ่นมากเหม็นมากเพราะนั้นเราจะไปนสนใจอะไรเนี่ยแหละสนใจเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจเลยไม่ดีกว่าเหลอเพราะนั้นเวลาไปที่ไหนให้พุโทโธเป็นหลักยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อขาขวาพุทขาซ้ายโธจากนั้นก็ขึ้นไปกุฏิเนี่ยที่พักเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเดินยังกลมไม่เดินยังโกงเออหนังภาวนา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 เออพอจิตใจรวมสงบเยือกเย็นในใจอะไรท่านนะ่ยมันเป็นพื้นฐานเป็นผลเป็นผลประโยชน์อผล ป, ประโยชน์เกิดในจิตใจของเราต่อไปขยันเองนะเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราเรียนทีแรกนะเราไม่รู้เด็กนักเรียนไม่มีหรอกเด็กนักเรียนจะขยันไปโรงเรียนนะมีน้อยมากแต่โดยมากนะ อ, อพ่อแม่ให้ไปก็ไปวันแรกนะวันที่สองออออองอแงเลยไม่อยากจะไปเพราะ คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยู่บ้านสะดวกสบายกว่าไปเรียนหนังสือนนลูกนะอ้ร้องโ h มร้องไห้ต่ทำยังไงได้จะไม่ให้เรียนอย่างนั้นใช่ไหมพ่อแม่ทําไม่ให้เรียนเลยลูกตัวเองก็โง่แล้วจะนี่จะอยู่ได้ยังไงใหญ่ขึ้นมาเป็นยังไงพ่อแม่ก็ต้องบังคับรักขนาดไหนก็เถอะต้องบังคับให้ไปเรียนหาผีเลี้ยงไปหาใครไปให้พาไปโรงเรียน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 ออพอจะร้องห h o ร้องให้เอาพราะกวดเรียนไม่ทันมนะูนี่แหละอันนี้ก็คือเหมือนกันนะะั่นแหละไม่ๆม่เมื่อเราบังคับเข้าไปเนี่ยเรายังไม่เห็นผลไม่กรอยันเหมือนเหมือนกันแนะนานักลูกของเราไปเรียนหนังสือเนะ่ะเพราะไม่เห็นผลในเมื่อเขาเห็นผลแล้วนะ เ, เขาขยันเองทนี้ห้ามเขาไม่อยู่นี่ก็เหมือนกันนะะั่นแหละไม่ๆเรานั่งภาวนาก็ลักษณะอย่างนั้นนะ่ะ เราต้องบังคับอพอบังคับท่นี้พอจิตใจติดสมาธิเท่านี้ เ, ออเราดูจิตดูใจของตนเองแต่ละวีีแต่ละวันจิตใจของเราได้รับความสงบนี่แหละเป็นหนทางแห่งทางพ้นทุกมันขยันเองเท่นี้ห้ามไม่อยู่ท่านี้ขยันดูพอออกจากหมู่เพื่อนปุ๊บมันวิ่งเข้าสมาธิทันทีพอวิ่งสมาธิจิตใ จ, ใจพอสงบพอสงวรพิจารณาทันที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 บางทีกะตีกอบบางก็ตีผิดบ้างตีผูกหาจังหวะตีจะทำยังไงมือจะจะลงหลุมให้ได้ผลในสุดชํชนานิชํานาญเข้ามากับผัดผัดเด้อตีกอป๊อกตกป๊อกเข้าหลุมเลยเแปลว่าจบชนะแปลว่าเข้าใจในตนเองนี้ก็เหมือนกันอันดับแรกขอให้ทานาก่อนรักษาศีลก่อน